Book 2 7เจ7ดสิเจเหตุผลบางประการส i มอิตส์ฟิร์ตลทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะวอร์มอี่ด o ค ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Ek moet ด g e w i c h t v e r l o o r ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะเอ e กยัดน die koek nie, o m d a t na ak, ek g e w er, i g moet v e r l o o r ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะวอร์มดื่มอิ i n เ i ี i ร์นี้ดิฉันต้องขับรถค่ะ เ k moet nog b e s t u ีร์ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะอ drink ni ้ omdat ek nog moet bestier ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ v a r o m d r i n g i n i e från de k o f f i nii มันเย็นแล้วค่ะ d i t i s koud ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะแอคตรังต์ต์นี้อง d าต์ต์เก้าต์ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะว r ร m drink ัง i นีฟันดิเตีนีดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะแอคนีไซเกอร์นีดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ เอกตรึงติดอมตะนซเคิร์เฮทำไมคุณไม่ทานซุปวมเอียหญ่นี้ซนี้ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะเอต์ตี้ต ni ตีดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะอติดอมอติดตเ ni ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Waarom eet jy nie van die ้ l e ส์นี้ดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะ Ek i s a v e g e t a r i ë r ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Act เอเยนต์ตัวนี้อมรับ a c a v e g e t a r i ë r is